เห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี้มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครก็พูดได้อย่างอ่านฐารที่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระโถนไม่มีนี่แล้วยกสมมติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คาดค้านมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นฮะกี่ว่าขั้น ทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละมั่นพะคอยตัดคะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนั่นไม่ยกไม่ยอ่อไม่เหยียบย่ำทํำลายจิ้งว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือธรรมไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าธรรม ลุ่มๆดอนๆสูงต่ำแต่เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสันพันข่มตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตียงไก่หิงไม่ทันความจรงเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้ๆสติปัญญานะัสติปัญญานี่แหละจะเห็นความจริง นี่ว่ายาในุตปานีนั้นละเอียดเข้าไปอันนั้น่ปัญญาอุตปาณีอะอาโลโกอุตปาณียาอ น, นั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญา่กล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับวัรนะสูตรก่อนแล้วก็มาเด้พิจินนะแต่ทุกวันมันอดไม่ได้นะอืสวดธรรมจักรไปกล้องที่หยุดซะก่อนนี่นะ ก e ้งอะไยาสัจจันยาัันติเมกิกเวเวานั้นสุเตสุตาเมจุจักกุงอุดปาดิเงียันังุดปาดิปันยาอุดปาดิวิจ้าอุดปาดิอโลโคอุดปาดิทังโคเวดังดูก้างอะไยสัจจันเรื่องว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดแล้วก็ได้กาหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วหน่อยไปแ อย่างนี้เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะคร <hi> ับปุเบศุตธรรมเน่ยจ้าคุ่มูรุปันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยอืมารู้คือมารู้หนักเนี่ยอืมจะกุยันจะคู่มูรปาริเนาะนังมูรุปาริไปยาวจะปารืันว่าเรื่ดับดับดาดับดาบ เป็นอาโลโกฏปานิไม่มีปิดบังนี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกฏปานิที่ความสว่างรากระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจากสูดด้วยยานด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกฏปานินั่นนี่เราภาพปฏิบัติภาพความจิงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกเแยะอาการนิดๆ น, น, นั้นออกก็เป็นอาการนั้ น, น, นเป็นอาการนั้นเพราะอาการรวมเข้ามาสูด ใจที่บริสุท ด, ดวงเดียวแล้วก็อาโรโกุปาดิธรรมนั้นนีอยู่ที่ไหนที่ว่านี้ถ้ามาอยู่ใจดวงนี้ดวงที่กําลังถูกปกคุมหุห่มห่ออยู่ด้วยความมืดมีดปิดตานี่ยก็อยู่ที่ไหนเปิดโอเคอ่านอาถ า, านที่นักปฏิบัติรู้ได้ไหมอาถานได้ไงต้องอาถานที่เห็นประจากนิจใจไม่อาหานได้ไง เราไม่ได้ลูกคำทำเวลาปฏิบัติลูกมันจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันถึงข้างได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจับ ก, กันได้อย่างเต็มหัวใจเคยพูดอยู่เลยอริตฐาปริยายสูตรกัม ร, ราตากัลสูตรผมเป็นอย่างนั้นแหละผม <c oughs> ผมยังมไม่คิดนั่นด้วยซ้าว่า อย่างอนตัตนาภิสุทธิ์คิดว่าท่าย่านย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้ที่จะผู้ผู้โจดจารึกนี่คือใครหนึ่งทำไม่ได้จทีจ่ตะปรยายสูตรปัญหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาพปฏิบัติแล้วยอมรับกองแหงหาที่คันอะ ม, มานาทมิปิฎีบินติทำเมสุ ป, ปีฎีบินติมีสรุปความแล้วนะตากับลูกหูกับเสียงอะไรเรื่อย แจ้งละเอียดละเอียดนะแต่คนนี้ไปทำํำในสัมผัสกันเป็นความรู้แยกขึ้นมาก็เบื่อหน่อยเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเบอื่อหน่ายล่าเ ง, งาคงล่าเ ง, งาขุ่นแล้วกเล่านั้นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวรนานี้บิดาวิร า, าตัติที่นี่ออกแล้วทีนี้เวลาดาวิ ว, วิมุจจะติ มันจะนิ่งหมีนิตยานาโหดีวันนี้ตั้งรต่มาเจอย่างตั้งไกลอย่างหนับตั้งแต่ต า, า ต, ตาเ ร, ร, ราอิจฉาที่ไปชาแนล น, นี้นี่ค้านมาได้ทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันมันตะล่าเข้าไปตะล่าเข้าไปตะล่ำเข้าไ ป, เ, าไ ป, เ, าไปเพราะจิตมันรู้ชาตเห็นชาติแล้วมันปล่อยมันปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันพอจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้ว มาในวงรูปคือรูปกลางของเรานี้ยพอรู้แล้วก็ปล่อยเวทนาสัญญาสัญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันก็ปล่อยลอยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะฉะนั้นในอันตราสูตรที่ท่านพูดว่ารูปปัิจปีิปติเวทนาจะปีติปีติสัญญาจะปีติปีติสร้างข้ารีสปีติปีติวิญญาณมีปีติ นี่บินดังเวลาจะตีเมื่อเบื่ อ, อหน่ายนอาคารทั้งห้านี้แล้วย่อมคลายกำลังการกระตุ้นเราหรลุดพ้ค้านกันวันยังค่าผมปวดกรงหัวใจผมจิตนั้นเอาไว้ทำใหม่น่ะภาพปฏิบัติเบื่อหน่ายถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นน่ะทําไมไม่เบื่อหนา่ายทำไมไม่แล้วเมื่อเบื่อหน่ายเรื่องนี้เราคากําหนังไปเลยไหมมันไม่ได้คลายนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นนี่ เที่ยงห้านี่ะมันยังไปลักไปสมุนอ้อยอิ่นอยู่ในหัวต่อมันนั่นนั่นเห็นชัดๆอยู่นี่น่ะพอต่ อ, อ, อก็ไปนั้นแพร่กระจายแล้วนั่นอะตรงอิด่ดอะาอาการทั้งห้านี่มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ ช, าชาัดๆว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้จะ ช, าชาัดๆในหัวใจนี่แต่มันปิดอนันนั้นนี่น่ะฮพอ ป, ปัญญามรู้สึกตัว มันมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วพูดอ ง, ง่ายหลงอันตัวสําคัญเนี่ยไปพอสมควรนะมันก็กลับมารู้รู้สึกตัวมันก็เจอะเข้าไปตรงนั้นพัทงทลายลงมันตัวจิตจิตกับวิชาเปน็นอันเดียวกันอืหุ่มห อ, อ ก, กันแับสนิดขนาดนั้นพอนั้นแตกกระจายมัอนอะไร ไม่ได้อยู่ในขันนนี้มัอยู่ตรงนั้นนะนี่ทําไม่คิดถึงผู้จดจาริยิบซ้ำไปนะผู้จดจาริยี่เป็นคนประเภทใดนะัถ้าว่เป็นประเภทพระละหันจดจาริยแล้วทําไมพระราหารจะไม่รู้ตรงนี้มีเหรือนั่นะมันจะว่างั้นันเราจะว่าทิฏฐิเขาท่ฏีิเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเลยเอยอมแต่ความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะี่น่าว่า เมื่อเราทุ่มเไดีๆเาไม่ค้านยอมรับเลยลาไปเลยเจ้านี่ละเอี้ยถึงเหตุถึงผลถึงพิกถึงชิงถึงต้นถึงปลาจริงๆถึงราักแก้วหลักฝอยไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างไม่ไหวนี่แล้วยอมพระพุทธเจ้ายอมอย่างนี้แล้วใครเป็นคนแสดงไว้พระพุทธเจ้าจแสดงไหมตรงนี้ที่ยอมยอมนี่นะนั่แต่และกั้นสูตเราทำใหคิด หนึ่งท่านอาจจะเห็นว่าผู้จดหรือว่าอะไรทำซากไปมากแล้วเลยตัดออกไปสมั่งอะไรทนองนั้นหรืผู้จดอจะลึกจดยังไงอะไรก็ช่างเยอะว่ะอันนี้ถ้าพูดถึง เ, เรื่องของตัวนําออกมาสู่นนี้แล้วมีทางค้านกันถ้าเป็นโดนเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วค้า น, น, นทํำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะวางนั้นพระเจ้าไม่ทรงผูกขาดทันติโกเอปติโกท่าทายในนี้ทุกอย่างนี่ สันติ โ, โกบอกแค่นี้ไปยุ่งอะไรกับตำหตนักตำลาไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะเนี่ยความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเปของตนแล้วจะไปงอมกระดาษทําไมเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียถ้าไปเรื่องเจ้าของไม่ค้านมไม่ไปค้าในให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นหวังเลยทนี้ก็แย่เอาไปสู่ส ม, มุอยากกับผู้ได้ยินได้ฟังผู้ทีดด่ควรได้รับประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์เพราะชี้แจง ไปตามเรื่องของมันท่านถึงว่าคำว่าท่านกันตรงนี้พูดจับเรื่องของสมุด็เปของภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องพูดไม่ใช่จะไปตายใจเพียงคันห้าเบื่อหน่ายแล้วคันห้าแล้วแล้วเท่านั้นมันไม่แล้วว่างันยังไงมันก็ไม่แล้วจมในอวิชชาแล้วไงคนจมในอวิชาเป็นคนแล้วเหรือ ฟ้าดช้า น, านแตกไปที่อยากแตกแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั่นหมดนะพินาลา อ, อีเนี่ยครั่องวัตถจกตตักรมันแตกจางไปแล้วอย่ปเงารกับติดเชื้อมไม่เท่านั้นนี่ฮะอะโรโกุฎปาดิจะ <c oughs> ว่าไงจะคุม้มกุฎปาดิงานังกุฎปาใหญขึ้น รวมตัวแล้วกบอโลโกลกด์ราร์ตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูได้สูตรทั้งหลายนะ น, นั้นท่านก็พูดถึงสูตรนั่นตรงนี้ไปแต่ท่านธรรมาท่านนัดจัดให้เข้าในประเภทพระสูตรนะะั่นแหละทำหล่อนี้ทาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาฝ่ายปนมัติไปได้ แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเราแค่แ ย, ยกไปคิดแปนั่ น, นะไม่มีอะไรที่จะข้านันมากนักยิ่งกว่าเป็นญาติมิตรมิตติที่บิดาเวลาติ ต, ต, ตรงนี้ข้าแต่ที่นี้ประจุดถ้าวิไงพระประมาณที่ไหนกัความมุความหมายต้องทำก็บอกไว้แล้วในสูตรนั่น น้ำหนักเป่าอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นไปสงสัยแอ่อออันนี้เป็นประถุนวัตนาไปแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้น น, นแล้วพี่นาไปที่ถ้ามีปัญญาหวังถูกหมดไปเลยถ้ามจาจักกับว่าสูตร์ทั้งกับพุทธะย่ อ, อไปเสียพูดที่จะเอามาปรับภาพเป็นปภาพปฏิบัติก็จับได้ยาก เราดูร้องประดูตามนัาตามความจับความจุทุกข้ อ, กอย่าจะจังท่านอธิบายไปเลยเรีนทุกคนกําหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วทั้งมุทายควรนัดเราได้นัดแล้วมากควรเจริญให้มากเราไดยืนแล้มายก็ประกาศเป็นสักขีพยานนิดให้เป็นความจริงให้เป็นจ้าวิชีทั้งหลายแล้วนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านท่านประกาศท่านมอธิบายทุกมิติอะไรนะ พิจารณาอานี้นพจาณาานีน้แต่พวกอนัตตาการสุดธทั้งแจงทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตานัอนเป็นอันจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบียยพระเป็นจะว ก, กีทั้งห้าต่งอะไร ดูปังนี่จังหวะนี่จังหวะนี่จังหวะพี่อันนี้จำพันเตะจำปัญาจังดูข้างว่าตังสุข้างวาติุกข้างพเตะเมื่อถิงอันนี้มันไม่เที่ยมแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข่าพระเจ้าข่าตอบรับกันเดิมแบบนั้นในขณะนั้นจำปัญญาจังุูข้างวิปิณามตะมังกาลังตังตะมารุปตุงยีตังมาอิสุขมาสมิณายส นัมเมโซนัมเมโ ซ, มโซตัดโนเฮตังพันเตนะเราเมื่อถึงวันนั้นมันเป็นวิปรินามาทําแล้วมันรู้กวนหรือว่าจะถือว่านั้นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันรู้กันนะหรือโนเงตังพันเตะคือไม่สมงวรพระเจ้าตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี้ยวกไปเลยๆดันั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรดีอธิบายคือไม่ไม่ซักไม่ถามหรอก ลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามก่อนจึงให้ฟังเลยอันนี้จังอันนี้จังนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรื่อยเลยจริงๆ น, นั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคนจะรู้ตามเป็นจริงตามพียงจะท้าภูตังจะอะไรจ ะ, จะดัตถ บ, บ, บังหรือเปล่ า, นาคนจะทราบตามเป็นจริงทราบตามเป็นจริง นี่ทัานไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อเมื่อซักตอนนี้นั้นเป็นเรานั่นเปนของเราหรือไม่เป็นสุกเป็นทุกข์พราว่าเป็นทุกข์วิญญาณเมื่อเป็นอยงนั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเปของเราไม่สมควรนะสันนั้นก็อธิบายเลยเมตังมาลัยเมโซมัสมินมสตนะเมโซอัตติโยเมตังยัตถาผู้ตังสมาปัญญาจะดัตทะ บ, บังดัตทํา บ, บัง เ, เรือ่อยเมื่อ อย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้ให้รู้แจ้งสิ่ ง, งนั้นด้วยปัญญาอันชอบธรรมถ้าไม่มปัญญาจะรัตธรรบังเรื่อยดีเลยเวลาโยกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมาเนี่ยผมไม่ ค่อยคล้องแค่ลเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั่งที่สูตได้เวลาจะยกมาแปลงนี่มันมันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเดียวไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าถ้าจะทยอยภาษีขึ้นมาได้แล้ ว, ลวมันแปแลเราแปลแล้วมันคล่องแปลตามตามนิสัยป่ามันคล่องนะคือมันเป็นขึ้นมาในหยิบเลยนี่ไม่ต้องไปคิด เช่นาหาสูตรนั้นจุดนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันไปหาตามคือถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมพร้อมอธิบายไปตามความหมายมันพร้อมมันถงรวดเร็วจะให้โกงกับปริยัตทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยไม่มันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัดคือถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจ ท่ว่าสักกโลกุสังฆติลาบสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่หให้ตายท่านแปลไ้มันแล้วไม่มาสักกะโลกุสังฆติาตายเพราเหยื่อ่เหยื่อล่อไปนั่นใช่ไมันก็ไม่ผิด น, นี่คนโง่งจะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากัได้ในอั มีความหมายไม่เข้าใจยกขึ้นมาก็แปลไปแล้วมันถึงแปลในภาพปฏิบัติจะไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจภาพโาก่ขึ้นมาอะไรในกิ่ น, นี่มันถึงใจถึงถึงถึงเลยเห็นผมอยา่ า, างหัวใแปลโอ้ยไหลไปเลยนะ ยิ่งได้เขียนไว้มหาเพลิงก้าวประโยคน์สิประโยค์สู้ไม่ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเรานี่นันแปรห้องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาได้แปรผึงแปรจากภาคปฏิบัติแปรจากความกินที่เกิดขึ้นมาจากกิจเป็นมาจากกิจแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมันมาจากปราชญ์ยกมาตั้งแต่เป็นมาลีเทิดออกจากปราชญ์ส่วนควาแปรหรือเนื้อความมันแท้จริงนั้นขึ้นจากกิจของท่านผึงผึงเลย เวลาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏแต่ท่านาอัจอรยพ่อแม่ครูอาจารมั่นแล้วนีดมั่มจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นเป็นบาลีแล้วความความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีนั้นขึ้นพร้อมกันพร้อมกันบาอทีท่านว่าฮะวันนี้ภาษิตขึ้นแล้วนะไม้แต่ใครฟัง ลอยธรรมาหามามาแปลอันวางท่านจะ บ, บายๆด้วยไว้ตอนรับพอเรามาอา้าใครเป็นมาหาแปลนะยกบาลีนี่เหมืเป็นมาหาหันวางยกขึ้นเอ้าแปลสิใครเก่งอ่ะใครเป็นมาหานี่ไม่มหาวิเลี่ยนอันวางสนุกเลนเลยแต่ก็ท่าเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉย ท, ท่านท่านถามแล้วก็ถามที่เฉย ไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงๆให้เราแปลนี่ไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะให้เป็นมหาถามแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผึ่งกันเลยถึงใจแปลงนั่เองเป็นบาลีถ้าเราไม่เป็ลงนั้นมันมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราพัฒนาของเรา มันเป็นภระาไทย่าลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างจิตพูดเคยพูย้จีว่าดอกจริงจริงจิตมันสว่างเอาซะจรอัศษษษษจรรย์ไม่เนี่ยทำไมจิตมันสว่างเอาตั้งนาในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างน่ะมันเป็นเงาเงาท่าั้นร่างกายหล่อนี่คือความสว่างเนี่ยมันซ่านอาอกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาเท่านั้นะ หน้าของความสว่างมันเด่นคอบไปสมดร่างกายทั้งล่างเป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นแหละนั่นจึงเกิดขึ้ น, น, า ม, ม, น, นามาได้ขึ้นมาหนึ่งไมกิ่นนี้ถึงอัศาจรรย์ขานี้สว่างสวยเอ า, า, าละ่ะไหนพอวิตกหยุดไปคู่เดียวของมันขึ้นแล้วเหนี่ยมันเป็นน้ำหนาเราไม่ขึ้นเป็นมาเร็งขึ้นเป็นพระไท้ถ้ามีจุด ฟังสิจุดกัจุดนั้นแหละจุดสว่างนั้นแต่เรามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ําแห่งโพ ร, รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแม้บอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งขึ้นมาหาจุดนั้นมันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดตรงนี้จุ ด, จดตรงเมไงนานเลยงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นภารกิจ เรานเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานีงเลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดมีต่ำของพรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแม่บอกท่านจจุดก็จุดนะจุดสว่างนั้นต่ําก็ต่ําในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นนนั่นแหะตัวพบตรงนั้นเองแหละหนวงปู่ในง่านนั่นแหะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนตัหม็นนึกมันตายไปหมดเหนืนเนอเหนตะ กษัตริย์กฤชานน่ะนั่นเป็นมีจุด ม, มีต่อมแล้วจุดต่อมนั้นเรารู้อย่าง น, นั้นแหละคือตัวผมงงเป็นไก่ตาแตกไปได้เนี่ยเฮ้ยยังไงเป็นยังกระทั่งพิจารามรารูน้นี่นะมันถึงโอ้กูตาโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองไงถ้าสมมุติว่าพ่อแม่กจารยังอยู่นั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งก่อ น, นั้นนะ่ะระยะนั่นยังไม่นานพอไปกล่าบเยี่ย น, นท่า น, นท่านก็จะ ที่ตรงตรงนั้นเลยนี่โอ้มันก็รู้ทันทีเลยเพราะมันความอยู่างแรกที่มันจะพังเี็นเพียงไม่จาะเข้าไปมันก็ไม่พังนั่งพนมต้นหนมมันไว้จะได้ซ้ำไปพอท่านจาะเอาที่นั่น่ะจาตะตำอะไรที่ไหนตรงนั้นเลย่าดลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดปึ๊บเลยมันก็ถึงกันเลยนี่แหละเรื่องโทษในความไม่มีกูมีการมันเป็นอย่างนี้เองทําให้ลาช้า ตั้งแต่เดือนเดือนสามใช่พอถลาเพลงท่านนับขึ้นอยู่ยว่า ด, ดอยมันก็นไปเกิดอันนี้ขึ้นมาก็จะไม่ทั่งเดือนหมดับมันถึงกลับขึ้นมาก็ามาครงนั้นะมาที่จุดที่ต่อมันละวัดธัมายุนดอยตะพงศดีที่เก่านะั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าแต่นั่นเองมาวั ด, วดรรยอย่างนี้มันจะลืมได้อย่างไง มันจะเถือนอาว่าหมาหลงก็หลงถนัดที่เที่ยวจุดต่ออันนี้เวลามาเปิดกันก็มาเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่อมอ๋อไอ้ก็บอกแล้ตั้งแต่ขราวนั้นขราวนั้นนไงมันเสียดายข้าวหลังเป็นบ้าไม่อยู่บ้าไม่ถอยแต่สมมติว่าเราไปเลากับครูอาจารย์ที่ท่านรู้เรียนสามีนั้ใส่เปี้ยงเดียวทัานั้นพังเลย มันลวดเร็วดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้มันไม่รู้กี่ครั้งจีหนผมกับพ่อแม่ผูจางบางทีมันอยู่ไม่ได้นะไปสามสี่วันเท่านั้นวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะ ah, มาแล้วอีหละ่ะมีอะไรมาฝากกันนะ <laughs> <laughs> ว่าอะีร <laughs> ท่านดูแลนะ้พอเรามา <laughs> ก็ไปในสามสี่วันไม่อีกน่ก็เอาแล้วสิ เราถวายอพอจบป้ามันก็ใส่เตี้ยงเดี๋ยวจะทะลุเลยแน่ ย, ยังงั้นอ่ะอันปัญหาที่เราแบกมาขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้น่ะนี่พอไปพิี่นาอยู่ที่นา่เพราจิตมันไม่หยุดนี่พิจารณามันก็ดากูมาขึ้นมาเลยอืสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ด้วยมากคือด้วยปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงบต้องเวียนกันอย่างนั้นพี่เพียงพิ่เรียงเปลตัยน ใส่กันไปใส่กันมาอย่างนั้นแล้วมันความีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันเท่มแทงหัวใจอะไรนานหนาวบึงมาหาท่านท่านก็ใส่เพียงเดียวก็ทะลนไปเลยนี่โอ้ยมานี่เบาหวงเหมือนก็นจะหอดินมานั่นคุณท่าความมีครูมีอาจารย์เป็ น, นั้น เนี่ยผมท่าไม่เดื่มที่กันวันอ้าวนี่ใครควรจะได้ผลประโยชน์มากว่าเป็นไรนอนอยู่ทําไมการแก้กิ่นมันเป็นของยากมากนะไม่มีใครจะแก้กันได้ง่ายนะกนี่พี่สุขเฒ่ายังไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้เอ้าวให้เต็มเหนียววาง น, นี่ยังไม่นานนะนี่เบางตอนท่านพูดมาก่อนลุงหน้ามาสามปีนะผมจําได้ ไม่นานนะไม่เลยแปดสิบนะจะว่าไม่บอกนะ่ยท่านพูดอยู่เวลาวันวัวส่วนละส่วนมากพาตั้งห้าสิบหกสิบมาลงวัวส่มาจากที่ต่างต่างเนื้ตอตรงนี้ถ้าจะนับพอมือดูนี่เวลานี่ก็เท่านี้แล้วนี่นี่นี่นะพอไปถึงแปดสิบนี่แห่าหวังไนาน น, ะนั่นไม่เลยแปดสิบนะโอ้โหพูดไปรู้กี่ครั้งนะ่ะเห็นไหมเป็นอย่างไง ความอย่างสรางท่า น, นไทยจะไปกล้าด้ า, า, านท่านได้ล่ะเนี่ยเท่า น, นี้นยจะอยู่คำฟ้าได้ไงมนุษย์เหล่าน่ะไทยที่ควรจะได้พยายาม ไ, ไม่ได้ตักตักตัวได้แต่ตอนนี้ก็เอาสิเหนือร้ายพิสุทเท่าตายแล้วมันลําบากนาการแก้กินใช้ของเล่นนะหนว่าผมไม่ดื่มนะผู้ในขากลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้ว่านนั่นแหละ พอ า, าวัตถุจิตได้ทั้งให่งวัฏเปี่ยมเปี่ยมเร็จร้อนมากเต็ ม, มที่เต็มฐานถึงฐานกล่อมลงเขาไม่กล่อมยังไงฟังเทศน์อาจารย์มันมั น, มนซึง้งเอาอยู่ประมาณนะเพราะจิตมันรับมันแล้วที่วางพอเริ่มป่วยนึกบอกแล้ว นี่ผมเริ่มป่วยนะนี่ตั้งกวันซืนนี่นานเราก็ไม่ลืมเลยวันซืนคือวันไหนวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสีน่เรามาท่านเป็นวันแรงค่าหนึ่งนาะนนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายว่านี้เลยเนี่ยนะตั้งแต่นี้ป่านนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขา ม, มีความหมายอะไรเราอยู่อยู่ยายๆจะมายนะุ่งนะแต่ไม่ตายง่ายหรอกโรคอันนี้โรคทรมานระวังโรคคนแก่ ไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมาแปดเดือนจนเดือนพฤศจิกาตนกรกาคมเปแปดเดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะหลวงท่านยันไปตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ําพรว ด, ดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไง มันนี่จะกิ่นมันยังจะไม่ร่มเท่านั้นนี่กันยังจะล่มหายใจมัอะไรมารักษามันฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อย่ามาทามายุ่งนะยานะไม่ว่ารือพอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นขั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้จะมีหายถึงตายเลยเีถอะแต่จะไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโลก ไอ้เป็นประมาณไม่ลืมจะลืมได้ไงคุณแม่ครูอาจารย์พูดอะไรมั้ยเหมือนกระดาษซึมนะมันซึมซึมอไปเหมือนอัดเทปเอไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อยิ่งฟังแบบยืดแบบกระหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังการรวมแล้วกลับออกไปกลับไปแหมมันจ่อเหมือนแทปนี่เปิดไม่ปิดเลยล่ะ มันเปิดเทมไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านวุนไงมันนั่งขนักจับไปเทเริ่มจีบนี่ท่านฉ า, า, านมากข้องมากเกีโอเคให้ญาติโยมฟังนี้ท่านรู้สึกกับกูขับนะ ไ, นไปไปไปไงมองมองไปันเดี๋ยวไม่ วเวลาที่สอนมาชาสุนารรู้สึกกกขับกูขับไม่สะดวกคุณฟังฟังเทียสอ น, นานี้ือไหลไปเลยเดีค่องที่เหมุนเกี้ยวเก้ยวเก้ยวเสียงกลงวางกลางวางขึ้นเรื่อยอยู่ขนาดประตูวัาโห้ยได้ยินอ่ะยินชัดเป็นอย่างไรเราจะจับเนื้อความไม่ได้ท่านเยียงว้าว เพราะารเทศหนักข้นง่ายเลยธรมรมะเทศถทึงการธรรละเอียดเท่าไรยิ่งแผ็ดยิ่งร้อนเสียงทั้งกลางวานนะาันก็ยอย่างนี้ฮ่ามือนิสัยหนึ่งทั้งเกิดข้างเลยเนาะเป็นยย น, นิสัยมหมายถึงเทศเทศสองพระก็เทศสกรมทั้งไม่มีอย่างนั้น ไห้สัมผัสทั้งมือคือมันขึงกายทั้งเหมือนกำลังมืออะนี่ประกอบเลยขึงกายผมก็เลยพูดไปฟังเดินกระถดนี่กริ่งตกตกอีกพักนึ่งไดนอย่างแรงถูกกระถดเปีงนมันก็กริงไปเลยตอกนึทั้อยู่เลยอ่ะเอากระถดตกเถอนะแล้วกิเลสใครตอกว่าง่ายหรื เอางั้นมันให้เสียนะจ ก, กแต่ก็ฉันก็โนกับป ร, ประโยศไม่ไม่เทพกับโขนจอมเ น, น, นี่ยเคพปราบเกียรจังหวะหวังผมรอจาบในสมัยปัจจุบันเร็วมากครับครับก็ม่ีอะไไปปึกดัหงหัวใจขั้นแล้วมต่ทำล้วนๆไม่มีเกียรติจะไปไปขัดไปแยง่งไปปิดไปกัน้น ไปสร้างชังอออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันถุกขับขบว้าไปไม่ได้แล้วเหล่านั้นอย่างที่เราท่านๆท่า น, นหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้จริงจาปาแมันนปิดขั้นไว้หมดความจริงไม่ ไ, ไมไ่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตมาพูดเรียนไปมากนะเป็นไงเราเรียนไม่ได้ประมาณนะอืเอามาจากความจำมก็ต้องกุกคขั บ, ขบ มันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองมควาเป็นความจำํำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่ได้รู้ไล้เห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมบรติแท้และเป็นความจริงแท้หรือยิงเก่เปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบางมาขีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งพุ่งถึงเวลาที่จะนั่นก็ไปเต็มเหนียวเปิดเอาหมดเลย เราพูดเาห็นเห็นอี่นี้ลู่ล้เห็นอี่งนี้ทนะ่านเราไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่ น, น, นั้นอันหนึ่งมันทรงนี้ไปตามให้รู้เยอเอามาพูดไม่ได้มาละนึ่งอะมาพูดกัน